หยุดไปหลายวันไม่ใด่ไปไหนหรอกไปออสเร <c oughs> ไปไปตรเลียไปประชุมพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์โลกไปดูว่าออสเตรเลียไม่เคยไปไปที่ซิดนีย์ <c oughs> เลยจากซิดนีย์ไปถึงกลองกองนี <c> ่ <oughs> มันมีเหมือนกันนะชื่อกะลองกองเนี่ยอ <c oughs> บอกว่ามีลูกกลองกองไหมไม่มีแต่มันชื่ออย่างนั้น <c oughs> <c oughs> อืมกลองกองเมืองกลองกอง วัดนันเทียนไปเห็นที่ประชุมไปเห็นเขาทำโคตรโกะมากก็ไปที่นั่นก็เป็นวัดจีนเกิไปฉันเจอสี่วันสามวันไม่ใช่สี่สามวันรถไปสี่กิโลถ้าบอกว่ามัน ร้อนเยอเตีร้อนีอ้ตตนไม่ต้องเอาอผ้าห่มไปลัอกร้อนอที่ไหนได้หนาวเน่อย <c oughs> เลีนพ้ะเอ่อเจ็ดแปดดกรีอการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าที่นั่นก็มีผ้าห่มเยอะกเลยรลอดตัวไปเวลาขากลับเครื่องออกบ่สี่โมงมาถึงนี่สีุ่่ม หายไปสามชั่วโมงแล้วก็มาแล้วก็คําสะพืดเลยอดฉันกันไม่ได้ <c oughs> ทีนี้เมื่อประชุมกันก็ในที่สุดก็คือสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องการอยู่เวลานี้ก็ตรงเป้าหมายถึงว่า ขาดคนสอนสมาธิไปที่ไหนก็มีคนอยากทำสมาธิแต่ขาดอาจารย์ที่ใครจะสอนให้ก็รู้อยู่ว่าสมาธิดีแต่เขาก็ชอบกันอยู่ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าหาคนสอนไม่ได้ไปถึงที่โน่นแล้วก็ภาษาไทยใช้ไม่ได้ส <c oughs> ปีดอังกฤษจะพูดไปจะพูดมาผิดบ้างถูกบ้างก็ เอากันพอเข้าใจกันนึกว่ากันนึกว่าจะผิดแต่เราคนอื่นก็ผิดด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่อังกฤษไปพูดมีเนปาลไปพูดเนบําคลาเทศไปพูดอินเดียไปพูดเยอรมันไปพูดฝรั่งเศสไปพูดมีอังกฤษอยู่คนเดียวพอวเวลาไปครั้งแรกเนี่ย สไตล์มันให้แบบอย่างการพูดมันสำเนียงมันจับไม่ได้แต่จับได้เอาตอนที่วันสุดท้ายแล้วนั่งนั่งคุยกันได้คุยกับฝรั่งคนนึง <c oughs> เอาหนังสือให้มันอ่านหนังสือประวัติของวัดธรรมมงคลทีนี้สำหรับการเรียนสมาธิของพวกเรา ก็ได้มาถึงเรื่องของฌานแล้วเรื่องของฌานเนี่ยต้องทำไว้หลายข้อเยอะเลยเรื่องของฌานทั้งนี้เพื่อที่ต้องการจะให้นักศึกษาได้ทราบว่าฌานเนี่ยมันมีความเป็นไปอย่างไรสำคัญอย่างไร แล้วก็ทําไมเราจะต้องรู้ด้วยเพราะว่ายังไงเสียเมื่อเราทําสมาธิแล้วเนี่ยฌานมันต้องเกิดแน่หลีกเรื่องไม่พน้นเหมือนกันกับประเวีนหนังสือยังไงยังไงมันก็จะต้องเขียนตัวหนังสือมันจะต้องอ่านได้หลีกเรื่องไม่พน้นในเมื่อเรา เ, เรียนสมาธิเรียนการนั่งสมาธิการทำสมาธิเนี่ยฌานต้องเกิดขึ้นเพราะว่าฌานนั้นได้อธิบายไว้หลายครั้งแล้วว่าฌานคือสิ่งที่เป็นผลออกมาจากสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วหรีกเรียงไม่พ้นฌานจะต้องเกิดขึ้น เมื่อฌานเกิดขึ้นอันเป็นผลของสมาธิอย่างนี้เราจะหาวิธีให้รู้ได้อย่างไรว่าอันนี้มันคือฌานแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าฌานอย่างนี้มันเป็นฌานอะไรกันแน่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเวลาเราทำจิตขึ้นมาแล้วลักษณะเป็นอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าลักษณะเป็นอย่างนี้คือฌาน เมื่อเวลาเราจะไปแนะนําบุคคลผู้อื่นเราก็จะได้แนะนําถูกว่าลักษณะอย่างนี้คือฌานแล้วทีนี้ฌานนั้นมันมีคุณประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีโทษอย่างไรเพราะว่าในลักษณะของคุณประโยชน์นั้นมีเราก็รู้อยู่แล้วแล้วในลักษณะของโทษนั้น จำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยฌ <c oughs> านนั้นจะต้องอยู่ในความระมัดระวังคําว่ า, าระมัดระวังนั้นก็คือจะต้องอยู่ในตามความเป็นจริงแล้วก็มีสติไม่ให้หลงฌานแต่ความสุขความสบายที่นักสมาธิต้องการก็คือฌานอย่างไรก็ตาม ต้องดำเนินไปในความพอดีพองามที่กล่าวว่าพอดีนั่นคือการประครับประคองตามความเป็นจริงเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วก็เกิดความสบายเมื่อเกิดความสบายเราก็มีสติเราก็รู้อยู่ว่าความสบายนียมันเป็นผลบางคนคิดว่านั่งสมาธิพอนั่งสมาธิไปแล้ว อาถ้ามันเกิดความสบายเนี่ยความจริงความสบายนั้นอ่ะไม่ใช่อื่นไกลหรอกความสบายนั่นคือฌานเราก็ไปบอกว่าโอ้นั่งสมาธิวันนี้ไม่ได้เลยะคือว่าไม่ได้ฌานมันเป็นอย่างนั้นเองทีนี้สมาธิเนี่ยมันเป็นในส่วนที่จะส่งเสริมพลังสมาธินี่มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมพลังทีนี้ หน้าที่ของความสุขนั้นมันอยู่ที่ฌานฌานตั้งหากที่ให้เกิดความสุขอย่างนี้เป็นต้นทีนีความสุนนเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้คือเราเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกันกับคนเนี่ยคนที่เขาได้โชคได้ลาบ ได้ความสําเร็จได้สิ่งที่มันมันเหนือความคิดน่ะว่าทําไมมันถึงสําเร็จมาได้อย่างเนี้อันนั้นถือว่าได้ฌานเหมือนกับเขาได้ฌานเช่นคนถูกรัตเตอรี่ที่หนึ่งได้เงินตั้งเป็นร้อยล้านอย่างเนี้แล้วทีนี้ควบคุมสติไม่ได้ไม่สามารถที่จะควบคุมให้ความรู้สึกนั้นได้ คนนั้นจะกลายเป็นคนเสียสติแล้วก็กลายเป็นบ้าไปเลยแล้วก็บางทีไม่อย่างนั้น่บางทีช็อกตายไปเลยอย่างนี้อันนี้คือเออันตรายอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบถึงว่าความสุขที่เกิดขึ้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยหรือในเรื่องของฌานเนี่ยถ้าหากว่าเราควบคุม สติไม่ได้หรือว่าเราปล่อยให้เกิดความเพิ่มเพิ่มไปตามอาการของความสุขที่เกิดขึ้นอาจจะเสียสติไปได้อาจจะเพิ่มไปได้เลิ่มไปทีนี้กลับไม่ได้กลับไม่หลอดลักษณะของการได้ฌานเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ได้ความสุขที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ เป็นความสุขที่เหนือความสุขอื่นใดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยความที่ไม่มีสติโดยอาศัยความหลงและความเข้าใจผิดจิตนี้มันจะพลิกจิตของคนเรานี้มันมีอาการที่พลิกได้เช่นอย่างเรามีสติอยู่ตามปกติอย่างเนี้ยมันไปเกิดชอกเข่าเนี้ย แต่คนนั้นเนี่ยมันจะกลายนิสัยไปทันทีกลายนิสัยเป็นอีกคนหนึ่งหมายความว่าอจิตมันพลิกเหมือนกับคนที่ประสบชานเนี่ยมันอาจจะชานลึกเกินไปอย่างเนี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดช็อกหมายความว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามแหละมันทําให้คนนั้นเนี่ยเกิดจิตเนี่ยมันพลิกขึ้นทันทีเลย ก็เพิ่ขึ้นมาแล้วที่มันกลับไม่ได้เพรากลับไม่ได้แล้วทีนี้ก็เดือดร้อนเยอะถ้าหากว่าอาจะคำนวณดูคนที่ทําสมาธิที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผ่านมานี่เ ย, ยอะมากไม่ใช่ใน้อยๆคนที่เกิดไอ้ความวิปราชหรือเกิดไอ้ความชอบของ ทีนี้พอกลับคืนมาแล้วก็เปลี่ยนนิสัยหมดเลยกลายเป็นอะไรไม่เข้าใจด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้น เ, เรื่องของฌานนั้นะ่ะเป็นผลดีและในขณะเดียวกันเป็นผลไม่ดีเพราะเราจะต้องรู้ว่าเป็นผลไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยู่ในลักษณะประคับประครอง ไม่อยู่ในลักษณะของความเป็นจริงไม่อยู่ในลักษณะของผู้มีสติอย่างนี้อันเนี้ยอันนี้สําคัญด้วยเหตุดังกล่าวหลวงพ่อจึงพยายามที่จะเวลาใครจะเข้าฌานมากเกินไปก็ยับยั้งเอาไว้ไม่ให้เขามากนักอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เข้าฌานนั้ผลประโยชน์ที่จะพึงได้มันไม่เหมือนพลังจิต พลังจิตเนี่ยผลประโยชน์มากมากเท่าไหร่อันนี้พลังจิตที่ไม่มีปัญหายิ่งมากยิ่งดีส่วนพลังจิตอันที่เกิดขึ้นจากสมาธิที่เป็นพลังจิตเนี่ยแต่ส่วนฌานเนี่ยต้องอยู่ในระดับที่ว่าถ้ามันลึกเกินไปแล้วต้องรีบมาถอนออกอย่าให้มันลึกเกินไปแล้ต้องการความสุขก็ให้ปล่อยให้เกิดความสุขไปให้เป็นความสุขไปเรียกว่าตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงนั่นก็คือว่าเมื่อเวลาที่จิตมันสงบแล้วแล้วก็ปราศจากอารมณ์มันก็จะเกิดความสุขขึ้นอันที่มันที่เรียกว่าเป็นฌานอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ในวันนี้เราพูดกันถึงขั้นตอนหมายความว่าขั้นตอนของฌานเนี่ยเราไม่ได้เอาไอ้เครื่องฉายมาฉายภาพฉายภาพฌาน อในทั้งเศนี่เขียนไว้บอกว่าหนึ่งปฐมฌานสองทุติยฌานสามตติยฌานสี่เจตจุตยฌานห้าอาการสานัญจา ย, ยตนะฌานหกวิญญาณัญจา ย, ยตนะฌานเจ็ดอคินจัญญา ย, ยตนาาะฌานแปดเนวสัญญาณสัญญายตนะฌาน อันนี้มันเรียนผิดหรือเปล่าวิญญาณจัยจานะอากาศาถูกแลนะอ่าทีนี้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่นี่เราเรียกว่ารูปประชานตั้งแต่ห้าถึงแปดเรียกว่าอรูปประชานทีนี้อ่านให้ฟังเลยว่าปฐมฌานมีองค์ห้า ได้แก่วิโตกวิจา์ปีติสุกเอกคตาวิโตกวิจา์คือการอยู่ในการบริกรรมปีติคือความขนทองสยองเกล้าเหมือนตัวลอยสุกคือความเอิบอิ่มรรปลอดโรงกายเบาใจเบาเอากคตาคือความเป็นหนึ่งไม่ฟุงซ่านชนี่ทุติยชานนั้นมีองค์สาม คือต si ัดวิตกวิจาร์ออกไปแล้วเหลือแต่ปิติสุขเอกคตาตาติยชานนั่นก็เหลือองค์สองคือมีสุขกับเอกขตาจตุชานก็เหลือองค์สองเช่นเดียวกันคือมีอุเบกขาและเอกตาตาก็เดี๋ยวจะอธิบายไปก่อนแล้วเร็จจะบอกถึงเรื่องกราบต่อไป จะอธิบายว่า เ, เรื่องของฌานนั้น เ, เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ควรกําหนดขั้นตอนนั้นอยู่ที่ใจเพราะเมื่อความเยือกเย็นสบายเกิดขึ้นในใจชื่อว่าฌานดังนั้นความเย็นละเอียดนั้นยังมีอารมณ์เป็นตัวผู้กําหนดขั้นตอนอารมณ์เราก็รู้แล้ว ว่าคืออะไรความนึกความคิดความอะไรต่างๆเนี่ยคิดโน่นคิดนี่ก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์อันนี้เองแหละที่จะเป็นตัวกาหนดเป็นตัวกาหนดว่าจิตของเราเวลานี้อยู่ขั้นไหนในอารมณ์อันนี้เนื่องจากความเป็นไปของอารมณ์นั้นจะเกิดความละเอียดตามลำดับของพลังจิตเวลาที่ เรากำหนดพุดโทโธเนี่ยเรากำหนดได้แล้วจิตก็จะอยู่ที่พุโทโธนั้นโดยที่เราไม่ได้คิดไปทางอื่นอันนี้คือเอกคตตาคือความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งอันนี้มันจะหยาบแล้วความเป็นหนึ่งอันนี้ก็จะละเอียดแล้วความเป็นหนึ่งอันนี้ก็จะละเอียดเข้าตามลำดับความหยาบของอารมณ์อันเดียว ชื่อว่าฌานความละเอียดของอารมณ์อันเดียวก็ชื่อว่าฌานเช่นกันถึงแม้ว่าเราจะนึกพุโทโธครั้งแรกเกิดความสบายขึ้นเราก็ถือว่าได้ฌานแล้ว น, นั่นถือว่าเป็นฌานแต่หยากแต่ต่อไปนั้นน่ะคำว่าพุโทโธอันเดียวนั่นแ่ะมันก็จะเกิดการละเอียดขึ้นและเกิดการละเอียดขึ้น ในกรณีเช่นนี้จะเป็นขั้นตอนของความหยาบกละความละเอียดเป็นปฐมฌานทุตยฌานตัตยฌานและจตุทฌานอย่างคำว่าอารมณ์การที่เรานึพุทโธนี่เขาเรียกว่าอารมณ์อันเดียวอารมณ์นี้มันจะมีอยู่ร้อยแปดพันประการแต่สิ่งนั้นได้ถูกระงับไปแล้วเหลือแต่พุทโธเพราะฉะนั้น เมื่อเหลือแต่พุโทโธแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นอารมณ์อันเดียวอันนี้ก็เริ่มเป็นองค์ชานขึ้นมาเพราะฉะนั้นองค์ชานอันดับแรกนี่ก็ต้องหยาบ ก, ก่อนคือหมายความว่าอย่างปสมเมชานอย่างเนี้ยเราจะต้องรู้ว่า เ, เรานึ้พุโทโธเนี่ยเราก็สบายเนี่ยปสมเมชานนั้นได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหรือว่าใครก็ตามเมื่อ ทำสมาธิบริกรรมพุทโธเหมือนกับตัวเราบอลเหมือนกับมือไม่ได้วางด้วยกันไม่ทับกันหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะของฌานได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อฌานอันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยไอฌานอันนี้มันจะละเอียดลงไปเราจะ เ, เรียกว่าทุติยฌานต่อไปแล้วก็สติยฌานต่อไปจะตุทะฌานต่อไปเมื่อถึงจะตุทะฌานเนี่ยอารมณ์นี้มันจะ ละเอียดคือละเอียดลงไปตามลำดับเมื่อละเอียดลงไปตามลำดับเนี่ยความเบาความสบายประชานมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าต้องเข้าใจว่าในรูปประชานคือตั้งแต่ผสมถึงจะสุดเนี่ยเราเรียกว่ารูปประชานทำไมจึงเรียกว่ารูปประชานเพราะว่าความรู้สึกตัวยังมีอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าหายไปเลยหายไปเลยนะั่นมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นในฌานที่จะเป็นถึงเจตุทะฌานเนี่ยยังยังรู้สึกอะไรที่เป็นหลักฐานหลักฐานที่ว่าเราต้องรู้สึกหลักฐานก็คือเอกขัตตาคุณจะอยู่ปฐมฌานก็เอกขตา คุณจะอยู่ทุติยชาญก็เอกกัคตาคุณจะอยู่ตัติยชาญก็เอกกต า, ค, าคุณจะอยู่จตุยชานก็เอกกัคตานี้เอกัคตาไปไม่ได้เอกกัคตาแปลว่าอะไรเอกกัคตาแปลว่าอารมณ์อันเดียวหนึ่งเรียกความเป็นหนึ่งของอารมณ์ไม่ใช่หนึ่งจิตแต่ว่าหนึ่งของอารมณ์อ่าเป็นหนึ่งของอารมณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเรียกว่า สมาธิตื่นนี่ตั้งแต่นี่ถึงนี่นี่เราเรียกว่าสมาธิตื่นงคุณจะอยู่ที่จะตุทะฌานคุณก็ยังตื่นอยู่แม้ว่าจะถึงทุติยฌานตัตยยฌานจะตุทะฌานก็ต้องอยู่ในสมาธิตื่นอันนี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าเอกคตารม ทั้งสี่ฌานถือว่าเป็นรูปประชาญจึงไม่ใช่การลึกซึ้งมากนักแต่ชาญที่เป็นรูปประชาญนี้เป็นปัใจจัยให้เกิดอิทธิพลในกิจกรรมนานาประการและเป็นอิทธิพลที่มีศักยภาพต่อยานอื่นๆด้วยต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าผู้ที่จะทำฤทธิ์ได้ ผู้ที่จะใช้พลังจิตได้ผู้ที่จะระลึกชาติได้ผู้ที่จะทาอะไรต่างๆได้เนี่ยอันนี้เกิดขึ้นจากรูปประฌานในรูปประฌานนี้จะทำได้แต่ถ้าเกินไปนี้แล้วเนี่ยทำไม่ได้บางคนทำจิตลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงต่อไปคือ เออรูปฌานอรูปฌานนี้ก็จะมาจากอากาสาวิญญาอากินจัญญาเนวะสัญญาเนี่ย <c oughs> อันนี้จะลึกก่าทีนี้เออันนี้เขาเรียกว่าสมาธิลึกมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเป็นอรูปฌานก็อันดับนี้ก็คงจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่า ว่าอารูปฌานนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรส่วนอรูปฌานนั้นเข้าสู่ความละเอียดโดยแท้จึงใช้คําว่าอายตนะเอะเราดูว่าออย่างอาค า, ารสันนิจายก็ใช้อายตนะวิญญาก็อายตนะกินจัญญาก็อายตนะเนวสัญญาณนะสัญญาก็อายตนะอายตนะทั้งนั้น อายตนะในที่นี้แปลว่าบ่อกเกิดไม่ใช่อารมณ์อันเดียวแล้วอารมณ์อันเดียวเลิกกันแล้วคือเรียกว่าอารมณ์อันเดียวนั่นน่ะสูญสิน้นเหลือแต่อายตนะคือบ่อกเกิดอันนี้ณที่นี้เพราะอำนาจแห่งคำว่าบ่อกเกิดพูดกันอย่างนี้ว่าจึงใช้คำว่าอายตนะอายตนะแปลว่าบ่อกเกิด คำว่าพอเกิดคือการก้าวล่วงจากอารมณ์หมายถึงว่าหมดอารมณ์โดยสิ้นเชิงทีนี้จะเกิดความไม่รู้สึกตัวภายนอกแล้วถ้ารู้สึกตัวภายนอกอยู่นั่นมันเป็นรูปฌปานถ้าหากว่าไม่รู้สึกตัวภายนอกนี่จะกลายเป็นอรูปฌปานทีนี้อรูปฌปานณที่นี้เพราะอำนาจแห่งการหมุนตัวในใจ ความหมุนหมายถึงความเขี่ยวด้วยพลังจิตเกิดขึ้นด้วยความเข้มข้นแห่งวาระจิตคือเวลาที่เจิตมันหมดอารมณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแต่พลังอันเดียวพลังอันนั้นอะ่ะมันจะเขี่ยวหมุนตัวคือจะอยู่ในลักษณ ะ, ะเรียกว่าคาว่าบอกเกิดคื อ, อคนจะหาคาอื่น ที่มาสมมุติอตัวจิตที่กําลังจะเป็นอรูปฌานไม่ได้เอาอันอื่นมาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาอยายตนะคือบอกหมายความว่าบ่บ่บมันก็เล็กบ้างใหญ่บ้างบ่เลอพูดอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนหม้ออย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นที่ใส่น้ํามันจะเป็นที่มีน้ํามีอะไรในบ่หรือในหม้อนั้น ทีนี้ในบอ่อแล้วในหม้อนั้นมันจะเกิดการหมุนคำว่าหมุนเนี่ยมันจะหมุนได้เพราะมันมีพลังอาศัยพลังจิตถ้าไม่มีพลังจิตเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆแล้วมันก็จะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้แต่พอมีพลังจิตแล้วมันก็เกิดการหมุนตัวขึ้นหมุนตัวขึ้นในระหว่างที่จิตมันล ะ, ละเอียดนั่นเมื่อหมุนตัวขึ้น เข่ย เ, เมื่อเขี่ยวด้วยพลังแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอยู่เฉพาะโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องจดจ่ออยู่ในที่นั้นไม่คลายอันนี้เขาเรียกว่ายานที่หนึ่งคือพอเวลาไปจดจ่ออยู่ในที่นั้นแล้วมันเป็นสุญญากาศเรียกว่าเป็นอากาศาธาตุเรียกว่าเป็นสุญญากาศ และการที่เป็นสุญญากาศนั้นน่ะจิตนั่นจะไปจดจ่ออยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงก็ได้หรืออาจจะสิบนาทีก็ได้หรือจะนาทีนึ่งก็ยอมได้อย่างเนี้ยทีนี้เมื่อมันไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยความจดจอ่อความจดจ่ออยู่ที่นั่นคือเป็นสุญญากาศอยู่ที่นั่นตลอดเวลาอะไรฉันก็ไม่รู้เรื่องละตอนนี้ฉันรู้เรื่องแต่สุญญากาศอย่างเดียว อันนี้จึงเรียกว่าอากาสายยัญจายัตนะนี่คืออันดับแรกของการที่จะเข้าสู่สมาธิลึกหรือรูออรปฌรานอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอาศัยความเขี่ยวของพลังจิตจึงใช้เวลานานมีจิตจดจออยู่คือเกิดความรู้สึก เกิด ค, ความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับจิตตอนนี้สุญญากาศเนี่ยได้เมื่อเคลี่ยวออกไปจากสุญญากาศแล้วเนี่ยมันจะไปเกิด ค, ความรู้รู้นะนะ่ะคือความรู้สึกคือความรู้สึกอันนี้จะมีความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นความรู้สึก โดยความรู้สึกอันนี้จะถูกจิตเนี่ยจดจ่ออยู่ในความรู้สึกอันนี้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานเขาเรียกว่าวิญญาณญจายตนะ <c oughs> เรียกว่าชาันที่สองของอรูปฌาน <c oughs> โดยอาศัยการเที่ยวของพลังจิตนานนานจนหมดเอทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความรู้สึก แล้วก็ทั้งอากาศสุญญากาศก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความรู้สึกเขาเรียกว่าฌานที่สองทีนี้โดยอาการเขี่ยวของพลังจิตเนี่ยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทั้งอากาศและทั้งความรู้สึกก็จะอยู่ในความที่เรียกว่าโดยอาศัยความเขี่ยวของพลังจิตนานก็จะหมด หมดสิ่งต่างๆแม้กระทั่งอากาศว่างเปล่าก็ไม่มีคือหมายความว่าความรู้สึกก็ไม่มีความว่างเปล่าสุญญากาศก็ไม่มีเรียกว่าในนั้นน่ะเหมือนกันกับมันอยู่ในสถานที่ไม่มีอะไรเลยหมายความว่าหยิกไม่รู้สึกลักตอนนี้เรียกว่ามาถึง อ า, อากินจัญญายตนะฌานทีนี้ด้วยความเขี่ยวของพลังโดยที่เสริมพลังแบบต่อเนื่องจิตไม่ปรากฏอะไรเลยกำหนดได้เป็นเวลานานปรากฏการแห่งความรู้สึกก็หมดไปเหมือนกับไม่มีอะไรแม่ความรู้สึกในจิตจดจ่ออยู่ในที่นี้คือหมายความว่า ทั้งความรู้สึกทั้งอากาศทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีความหมายในจิตอนั้นก็เรียกว่าอยู่ในสภาพในความรู้สึกของจิตนั้นเหมือนกันกับมันไม่มีอะไรสัญญาหรือว่าเวทนาหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มีปรากฏในที่นั้นและจิตจะอยู่ในที่นั้นได้นานแสนนาน เรียกว่าจดจออย่างไม่คลายเขาเรียกว่าฌานที่สี่ในวสัญญาณาสัญญายาตนะในเรื่องการอธิบายของเรื่องฌานเนี่ยคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องพูดกันแล้วพูดกันอีกเพราะว่าพูดเท่นี้คิดว่าไม่น่าจะเข้าใจกันแจ่มแจ้งนะเพราะฉะนั้นจึงอธิบายให้ฟังแต่เพียงว่า สมาธิตื่นก็คื อ, อพวกอรูปฌานสมาธิลึกก็คืออรูปฌานและทีนี้จุดตรงกลางนี้เป็นจุดพลังอำนาจอารูปฌานนี้แสดงฤทธิ์อะไรไม่ได้อยากจะอยู่ยได้สักสามวันห้าวันโดยไม่กินข้าวกินปลาหรือว่ายังไงนั้นอันนั้นอยู่ได้อยู่อย่างสบายไปนานแสนนานอะไรองนี้อยู่ได้ แต่ว่าอารูปฌานนี้จะทํำริษไม่ได้รัรกษาโรคไครไข้เจ็บไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นี่จะไปอย่างนี้ไม่ได้นี่จะขึ้นมานี้ไม่ได้อันนี้จะอยู่ในความเป็นสุขเขาเรียกว่าเข้าฌานนิโรธสมาบัติเอ้ะไม่ใช่เขาเรียกว่าฌานสมาบัติเมื่อเข้าฌานสมาบัตินี่ยเขาจะอนั่งเฉยๆอย่างเนี้ย เสียงอะไรก็เข้ามาไม่ได้อะไรๆต่างๆเหล่าเนี้ยอันนี้จะมีความสุขอยู่นี่ทีนี้อันตรายที่เรียกว่าเป็นอันตรายอะที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าฌานมันมีอันตรายอย่างไรอย่างเนี้ยมันอยู่ที่ทั้งสีอันเนี้ย่ถ้าหากว่าสติตามไม่ทันหรือว่าบุคคลผู้นั้นไม่สามารถจะประทับประคองความจริง คำว่าประคับปรคองความจริงนี่คือการส่งเสริมสมาธิเนี่ยส่งเสริมสมาธิเนี่ยเมื่อสมาธิอันเนี้ยเราไปเข้าฌานทะเพลินอย่างเนี้ยสมาธิอันนี้มันจะลดระดับพอลดระดับแล้วทีเนี้ยสติควบคุมไม่อยู่เกิดอาการวิปลาสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้ว เห็นถ้าจะเพิ่มแน่แล้วคนเนี่ยว่าอยากเข้าร ว, วังนะแกทํำมาแค่นี้ก่อนอย่างนี้พุโทธโธพุทโธเข้าอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้นเป็นหลักเออเพราะฉะนั้น เ, เราจะเห็นได้ว่าในอรูปปัจานี้มันจะมาเกิดวิชัญาณเนี่ยมันจะเกิดวิชายยาัยญาณอนนี้วิชายยาัยญาณอนนี้ก็จะมาเกิดขึ้นรักษาโรคบ้างระลึกชาติบ้างรู้กายข้างหน้าบ้าง อันนี้ว่าไว้เพียงคร่าวๆมันมีเยอะแยะพวกนี้แล้วก็อันนี้ก็จะต้องการเข้าสู่วิปัสนามาเท่านี้ก็วิปัสนาไม่ได้เนี่ยวิปัสนาไม่ได้ถ้าใครมาอยู่ในอรูปฌานนี่วิปัสนาไม่ได้สุขสบายแล้วนึกว่าเขาพ้นทุกข์ละเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยสําเร็จแน่นอนอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่ามันไม่สําเร็จละ กิเลสยังอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นยังอยู่เต็มยังอยู่ปกติแต่เพียงว่าทําเหมือนศิลาทับยาแต่ทีนี้คนที่เขาต้องการพ้นทุกข์ไม่อยากมาเกิดแก่เจ็บกายอีกต่อไปก็เดินมานี่เขามาสูวิุปัสนาเข้ามานี่แต่ว่าจะต้องเข้ามาในฌานแค่เนี้ยไม่ใช่ว่ามานี่อเพราะฉะนั้นจุดพลังอํานาจอันเนี้ยเอ่ที่เป็นตัว เขาเรียกว่าเรียกว่าหน่วยหน่วยถ้าจะขอให้เกิดหน่วยต่างๆหน่วยต่างๆจะเกิดจากนี้หน่วยต่างๆเกิดจากนี้ก็มานี่ก็ได้มาเป็นฌานซ ส, สบายไปหรือว่าต้องการอยากจะมาทางนี้ก็มากิจการงานหน้าที่ธุรกิจหน้าที่สอนเด็กสอนเด็กเนี่ยเราอย่าให้มาถึงนี่เราเอาแค่ แต่ทุติเน่ก็น่าจะพอแล้วสำหรับนี้ก็จะทำให้สมารถเรนได้คือสามารถที่จะทำให้สมองดีได้อันนี้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราก็พยายามทำเข้ามาให้ถึงนี่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ว่าถึงว่ารวมความว่า ฌานทั้งหลายอยู่ในวาระจิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจิตอันเกิดจากสมาธิจึงเป็นเรื่องของฌานที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จากอุประสงค์ของนักสมาธิทั้งหลายแต่พึงเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานจะถือว่าฌานเหล่านี้มีขึ้นมีลงและมีเสื่อมไปและตั้งขึ้นตามฐานะอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะเสื่อมไปสักเท่าไรพวกชานนี้จะมีเชื้อเ้าเรียกว่า เ, เชื้อเชื้อของชานนี้จะไม่มีการสูญสลายตัวคนที่ทําชานได้แล้วชานนั้นจะมีเชื้ออยู่เชื้ออันนี้จะจุกประกายได้จากพลังจิตคือว่าเราต้องเข้าใจว่าไอ้ที่มันเป็นชานเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมาจากนี่มาจากสมาธิ อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเสื่อมเองก็พรสมาธิเนี่ยไม่ทําพลังมัวแต่มาเออเอาแต่ความสบายอยู่เนี่ยในที่สุดมันก็เสื่อมได้อพอเสื่อมได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเชื่อเ้าเรียกว่าเชื่อของฌานนี่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นใอ้คนที่ทําฌานได้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสื่อมไปก็จริงแต่เชื่อมีเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิ จุดเชื่อขึ้นชานพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีอย่างนี้เป็นต้นอก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ากูดมากไปแล้วคงจะแย่หน่อยอมันเข้าหลักการได้ทีนี่ยังไงก็ตามเวลาจะหมดหรือไม่หมดเราก็ไม่ว่าต้องพูดกันถึงเรื่องหลวงปู่มั่นกันต่ออาเมื่ออหลวงพ่อไปอยู่ กับหลวงปู่มั่นและท่านพาเดินทางไปทำา ง, งานศพของหลวงปู่เสาเราก็ได้พบพระอาจารย์เยอะหลายองค์จนกรทั่งวันหนึ่งหลวงปู่ฟันในในขณะในขณะที่ไปนันน่ะโดยเฉพาะแล้วหลวงปู่ฟันเนี่ยหลวงพ่อก็ได้รู้จักกันกับท่านมาก่อนก่อนที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่น ในขณะที่ไปอยู่กับหลวงปู่พันนะ่ะวันหนึ่งอท่านก็ถามหลวงปู่พันว่านี่เอฉันอาหารแกทํำยังไงเนี่ยนี่นี่นพูดไปถึงเรื่องอาหารเวลานั่งฉันกันไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปดูอันี้พระอาจารย์ฟันท่านเอาช้อนเนี่ตักตักทีนี้ไอ้ช้อนมันไปกระทบบาดดังแกงไอ้บาดใครเนี่ยดังแกงอ่า เขบอกว่าของหลวงปู่ฟันท่านอาจารย์ฟันบอกว่าท่านบอกว่าไอเวลาทำบาตรดังแกงเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะอะไรถึงทำบาตรดังแกงเพราะว่าไม่ได้ฉันมือเอาช้อนไปฉันทีนี้อย่างหลวงปู่มันนี่ยฉันเอามือฉันเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านจะเอาช้อนเป็นช้อนเนี่ยท่านไม่ใช่ช้อนอย่างเราเนี่ยท่านเอาหอยกราบเนี่ยทาช้อน ทีนี้เวลาไปถูกบาดมันก็ไม่ดังเรื่องไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอาชอ้อนมานี่นอะไหลวงปู่ฟันนะท่านได้ยอมรับคำนี้จนกรทงท่า น, านมรณ ะ, ะภาพท่านก็นไม่เอาชอ้อนมาใช้อีกเลยมาวัดทำมงคลเนี่ยหลวงปู่ชอ้อนมีครับถวายเฮ้ ไม่ได้เว้ยมาตังแกงอะไเงอไรเงี้ยมันตังแกงหลวงผู่มั่งมาตังแกงเนี่ยหลังจากนี้จากนั้นเอหลวงผู่มั่นท่านก็นบอกว่าอาจารย์ฟัน่นเขาเรียกว่าท่านฟั่นท่านฟั่นเนี่ยมีความเชื่อถือและมีความสําคัญ นและเป็นผู้ที่สามารถใช้พลังจิตได้สูงว่างั่นทีนี้ก็มีองค์หนึ่งถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อทำพลังจิตได้สูงอย่างนั้นแล้วทําไมททำบาตรจัาแกงว่าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพระที่สามารถ ทำพลังจิตได้นั้นเขาได้มีพลังจิตมาตั้งแต่เดิมและเขาได้มาสร้างพลังจิตเพิ่มเติมขึ้นและในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นใครก็ตามที่นั่งอยู่ที่นั่นไม่มีใครที่จะมีพลังจิตสูงเท่าท่านฟันว่า เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งอที่ท่านไปบินธบาตเมื่อเวลาบินธบัตขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยว่านกที่อยู่ในบนอ า, อากาศอย่างเนี้ยเพราะว่าไอ้นอกเนี่ยจะหันมาถามหลวงพ่ อ, ว, อ, อว่าอยากดูไหมนกไมอยากดูทันจะเอามื อ, เ, อเด็กขึ้นไปเดี๋ยวมันก็บินลงมาจับอยู่ที่มือเนี่ยอันนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าห้ามเด็ดขาดที่จะไปเที่ยวอวดใครต่อใครว่ามันแน่อั <c oughs> นนี้ท่านอาจารย์ฟันท่านก็ท่านจะอวดใครท่านไม่กล้าอวดแต่ว่าท่านอวดหลวงพ่อเพื่อว่าคนอื่นจะได้ไม่รู้ แล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ปิดให้อื้อไป <ỗi> หลวงพ่อก็ถือว่าเรามาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไหนๆก็พูดกันได้แต่ไม่ใช่อวดอุตริมนุษธรรมแต่ว่ามันพูดความจริงให้ฟังว่าการที่เราทำสมาธิเป็นอยู่ทุก ว, วันนี้ อ, อย่างที่มานั่งกันอยู่ในที่นี้ ใครจะไปรู้ได้ว่าใครจะมีพลังจิตสูงขึ้นมาสักคนหนึ่งหรือกี่คนมันก็อาจเป็นไปได้ก็มาเล่ากันฟังในฐานะฤๅษีอาจารย์แต่ไม่ใช่อวดออไม่ใช่อวดแต่เพียงว่าพลังจิตเนี่ยมันทำได้หลายอย่างท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึ อ, อขออนุญาตที่จะบอกนักศึกษาทั้งหลายว่าห้ามไม่ให้ใครแท็ก เวลาที่หลวงพ่อพูดถ้าเวลาจะต้องการเทปต้องไปเอาที่เขาเทปเพราะว่าตรงไหนพูดเล่นเราตัดออกนะตรงไหนมันไม่นั่นเพราะว่าเราจะเอาแต่ไอ้ตรงที่มันมีสาร ะ, ะเราคุย อ, อย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากเกินไปเวลาเรียนเราให้คลายเครียดซะบ้าง ต่เลยเอาอะไรต่อะไรมาเล่าให้ฟังตลกบ้างไม่ตลกบ้างก็ขออภัยไปเพราะฉะ <c oughs> นั้นอ่ะเดี๋ยวใครไปเอาอตอนตลก <c oughs> อตอนนั้น่เทบออก ไ, ไปไปอวดคนอืนะะ่นเ yeah, สือลมอ่อยแย่สิเอาละตอนนี้ถามปัญหาคุณสุชาดาธรรมวิโรธ กลามาบรรจงกางพระอาจารย์เจ้าพสิทธิ์มีคำถามจะเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้คือมาดาของสิทธิ์ป่วยมาสิบกว่าปีแล้วนั่งได้ไม่เกินห้านาทีเพราะมือศีอสะและหลับยากมากสิ์อยากให้ทำสมาธิอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้านอนทำสมาธิโดยภาวนาพุโทโธจะได้พลังจิตหรือไม่และข้อสองระหว่างนอนทำสมาธิและนั่งทาสมาธิ จะได้พลังจิตเท่ากันหรือไม่เจ้าคะนอนสมาธิก็ได้เพราะว่านั่งก็นั่งไม่ได้แล้วขนอาภาอืมแต่ถ้าหากว่านอนสมาธิด้วยความตั้งใจก็ไม่แพ้การนั่งเท่าไหร่หรอกได้พลังจิตอยู่นนี้สาหรับการนอนไม่หลับหรอว่าอะไรอย่างนี้ก็ให้กำหนด เป็นตารางเือให้กันมาเป็นตารางว่าเวลานี้เช่นอย่าง6กโมงเช้าควรจะทำสักสิบนาทีหรือว่าอตอนเก้าโมงเช้าหรือว่าตอนเที่ยงหรือว่าตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนอะไรเคทําทำให้เป็นจิตจัรลักษณะ ไม่ใช่ว่าหยากนึกเมื่อไรก็เอาเมือนั้นแล้วละทําให้เป็นขั้นเป็นตอนว่าวันหนึ่งสักสามครั้งอย่างนี้ครั้งหนึ่งสักสิบนาทีว่าพอได้สิบนาทีก็ไม่ต้องทําต่อทําแค่นั้นพอเวลาต่อไปก็ทําอีกแล้วก็ทําแค่นั้นให้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้คิดว่าอไม่ถึงเดือนไม่ถึงเท่าไหร่ะ พลังจิตเพิ่มขึ้นมาได้อีกเยอะยานอนหลับสบายด้วยแล้วแล้วมีโอกาสจะหายจากโรคเมื่อศรีษาหรือไม่เจ้าค่ะมีโอกาสมีแล้วเราต้องช่วยด้วยเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอต่อไปก็ขอเชิญคุณสักชัยอมรสุรเดช ก, <c oughs> การนุสการพระอาจารย์ครับที่ิษย์มีคําถามที่จะถาม ในขั้นตอนการทำสมาธิ น, นะครับเวลาจิตสงบแล้วมักจะหลงเข้าไปในภวังอย่างรวดเร็วแล้วก็เวลาหลงอยู่ในภวังเนี่ยก็อยู่นายเกินไปไม่ทราบ ว, ว่าท่านพระอาจารย์จะมีวิธีแนะสิ่งไง <c oughs> ที่จะไม่ให้เป็นเช่นนั้นครับคือพยายามบริกรรมไว้อย่าเพิ่งให้หลงไปเร็วนะคือพยายามบริกรรมไว้เช่นอย่างว่านั่งสัก สามสิบนาทีนี่พยายามบริกรรมไว้สักสิบนาทีกันอย่างนาวดีือ <c oughs> okay. ถ้าจะลงเราก็รีบตั้งสติไว้ตั้งสติให้เกิดความรู้เพราะว่าการเข้าพวังเนี่ยคนที่มีจิตเข้ารวังง่ายพอพุโทโธแค่เดียวจะลงไปเลยถ้าอย่างนั้นมันได้พลังจิตน้อยถ้าหากว่าเรามีการชะลอ ให้จิตมันเข้าพวังช้าหน่อยอันนี้จะได้พลังจิตเพิ่มขึ้นแต่การที่จะชะลอได้นั้นต้องอาศัยคำบริกรรม <c oughs> ขอพระกรับอต่อไปขอเชิญนอตอสมศักดิ์พระรัตนสกุลกลับมาพนักงารพระอาะจารย์ครับกระผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อเดียวตอนที่พระอาจารย์ตามหลวงปู่มั่น เดินทุดงนะครับอลรงพ่อบอกว่าวิธีการเดินที่ไม่ให้เหนื่อยให้กําหนดที่ต้นลมความดันไม่ทราบว่าหลงพ่อทําอย่างไรครับ <c oughs> เดินไม่ให้เหนื่อยต้องมีคาถาค <c oughs> <c oughs> าถาเนี่ยไม่บอกใครง่าย <c oughs> คือคย่างนี้เวลาที่อเราเดิน ดองเนี่ยมันมีอยู่ว่า <c oughs> เวลาที่เราอกําหนดเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ข้างในเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวอกเรานี่แหละมันจะมีอยู่ลักษณะนิดหนึ่งเขาเรีย ก, กว่าจุดแต่ว่าจุดอันนี้เนี่ยพอเวลาเรากําหนดจิตลงไปเนี่ยมันจะไปอยู่จุดอันนั้นเขาเรีย ก, กว่าจุดที่มันจะหายใจมันจะ มันจะตีหายใจออกพอเวลาที่จิตของเราไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยนี่ถ้าหากว่าคนอะเดินไปคุยไปเดินไปนั่นไปได้นั่นอะไม่ช้าก็แย่แล้วไม่ช้าใช่ยแย่กราบขอบพระคุณครับแต่ร้องพ่อมีคาถาก็จะบอกเฉพาะลูกศิษย์คนอื่นไม่บอก <c oughs> อ่า มันมีคาถาเขาเรียกว่าพยากระตายเขาเรียกว่าสะโสโตโสอะอะบอกทีเดียวจำไม่ได้ก็เลิกไปอต่อไปขอเชิญคุณคุชเดีหานอุไทยกิต กับ น, นมัสการพระอาจารย์ค่ะติดมีคำถามถามพระอาจารย์หนึ่งคำถามคือว่าในในกระแสทางโลกตอนนี้ได้มีการล่ำลือถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีคศออ2000ซึ่งจะมีผลต่อประเทศไทย ว่าจะน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะคะพระอาจารย์แล้วก็ทางมีคำพีของศาสนาหลายๆศาสนาก็บอกว่าในปีคศ .2000 เนี่ยออจะมีภยัยพิบัติเกิดขึ้นกับมนุษยชาติไม่ทราบว่าในทัศนะของพระอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะรวมพ่อขอยืนยันว่าคศ .2000 ยังปกติแล้วก็ แน่ใจเพราะว่าอันนี้ก็พูดด้วยความแน่ใจแน่ใจที่แน่ใจในทางของเรื่องของอสมาธิแล้วก็แน่ใจในเหตุการณ์โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นคสสองพันก็เหมือนกับคอสเก้าแปดเนี่นี่เวลานี้เก้าแปดใช่ไหมอ่าเก้าแปดเป็นอย่างไรสองพันก็เป็นอย่างนั้น แต่ตอนนั้นหลวงพ่อไปอยู่แคนาดาละเอาอีกคนนะคุณสุพันนีพุทธสมบัติกราบน้ำมการพระอาจารย์ค่ะดิฉันมีคำถามที่จะถามพระอาจารย์คือว่าเวลานั่งเนี่ยนะคะบางทีจิตมันก็ไม่อยู่เป็นที่แล้วจิตก็เลย ท่องคาถาเอาอย่างนี้ฮะไม่ทราบว่าจะมีผลจะได้บุญมั่งไหมคะคาถาอะไรก็ท่องบางทีก็ท่องอิติปิโส ร, ร้อยแปดนะคะอิติปิโสยแปดใช้เ ะ, ะ, ะมากไปมากคือวาอ่าการทำสมาธินี่จุดประสงค์อันดับแรกเนี่ยต้องการให้มันเหลือนหอนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม แห้มันเหลือหนึ่งถ้าเหลือหนึ่งไม่ได้เนี่ยมันก็จิตมันก็ไม่ถือว่าเป็นอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่ปาปฐมฌานอย่างเงี้ยอ่าก็ยานั้ะนะเราต้องการหนึ่งถ้าหาพ้นไปเยอะมันไม่ใช่หนึ่งมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิเรื่องก็เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละยังไงยังไงก็พยายามทําอันเดียวให้ได้ครัขอบพอระคุณค่ะ